แนะนำบทตอฮาบทตอฮาเป็นบทมักกียะห์มี 135 องกาลมีจุดมุ่งหมายเช่นเดียวกับบทมักกียะห์บทอื่นๆโดยเน้นหนักถึงหลักการศรัทธามั่นการให้เอกภาพการแต่งตั้งศาสดาการฟื้นคืนชีพการชุมนุมในวันโพรโลกเพื่อรับการตอบแทนบทนี้ได้เล่าเรื่องราวต่างๆของบรรดาศาสดาเพื่อเป็นการปลอบใจท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม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 และชี้แนะแนวทางที่ถูกต้องให้แก่ลูกหลานของเขาโดยการแต่งตั้งบรรดาศาสนทูตเพื่อมาแจ้งข่าวดีและกล่าวเตือนประชาชาติของเขาแล้วปล่อยพวกเขาเลือกทางเดินซึ่งมีทั้งดีและชั่ววันนี้ได้เผยให้เห็นถึงปรากฏการณ์ในวันกิยามะห์ด้วยสำนวนที่ทําให้จักรวาลสั่นสะเทือนและทําให้จิตใจสั่นสะท้านและขวัญกระเจิงได้เผยเห็นถึงสภาพของวันฟื้นคืนชีพที่ยิ่งใหญ่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 ให้อดทนต่อการทำร้ายของพวกบูชาจิเวตทั้งนี้เพื่อจะได้ปฏิบัติหน้าที่ของท่านให้สมบูรณ์ในทางของอัลเลาะห์จนกว่าความช่วยเหลือของพระองค์จะมาถึงชื่อของบทนี้คือตอฮาเป็นชื่อของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนื่องเพราะท่านได้รับการต่อต้านและการทำร้ายจากบรรดาพวกบูชาจิเวตดังนั้นบทนี้จึงเริ่มด้วยความเมตตาจากองค์ โดยเรียกชื่อของท่านว่าตอฮาบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมอตอฮาตอฮาเราไม่ได้ให้อัลกุรอานลงมาแก่เจ้าเพื่อให้เจ้าลำบาก إلا تذكره لمن يخشى وإنّها كان تنبيهًا لغير المؤمنين เป็นการประทานลงมาจากพระผู้ทรงสร้างแผ่นดินและบรรดาชั้นฟ้าอันสูงส่ง อัร-เราะห์มานู อะลาลอัรชอิสตะวา هُوَ ٱلَّذِى خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ فَقَدَّرَ لَكُم مَّآسِى وَأَحْكَامًا وَأَجَلَكُمْ وَأَجَلَ كُلِّ شَىْءٍ وَإِنَّكُمْ لَتَرَوْنَ ءَايَٰتِهِ فِى ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ แล้วเจ้ากล่าวเสียงดังแท้จริงพระองค์ทรงรอบรู้สิ่งเร้นลับและสิ่งซ่อนเร้นอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลอฮุวะละฮุลอัสมาอุลฮุสนาอัลเลาะห์นั้นไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์สําหรับพระองค์นั้นทรงมีพระนามอันสวยงาม وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى لَا رَوْڠราว ของ موسى ได้มีมาถึงเจ้าบ้างมั้ย إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُوا إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى เมื่อเขาเห็นไฟเขาจึงกล่าวแก่ครอบครัวของเขาว่า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 انا ربك فخلعنا عنك انك بالوادي المقدس طوا แท้จริงข้าคือพระผู้พิพากษาของเจ้าจงถอดรองเท้าทั้งสองข้างของเจ้าออกแท้จริงเจ้ากำลังอยู่ณภูเขาอันศักดิ์สิทธิ์มีชื่อว่าตัว وانا اخترتك فاستمع لما يوحى และข้าได้เลือกเจ้าเป็นศาสดา ฉะนั้นเจ้าจงตั้งใจฟังสิ่งที่ถูกเป็นโอกาสอินนีนีอัลลอฮุลาอิลาฮะอิลลาอนาฟะอฺบุดนีวะอคิมิสศอลาตะลิซิกรีแท้จริงข้าคืออัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากข้าดังนั้นเจ้าจงเคารพภักดีต่อข้าและจงปฏิบัติละหมาดเพื่อระลึกถึงข้า ان الساعه اتيه اكاد اخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فجئ يوم අවسان ของโลกนั้นกําลังจะมาถึงข้าปกปิดมันไว้เพื่อทุกชีวิตจะถูกตอบแทนตามที่มันได้แสวงหาไว้ لا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتضلا ดังนั้นผู้ไม่ศรัทธาต่อมันวันอวสานของโลก จะต้องไม่ทําให้เจ้าเหินห่างจากมันและปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ําของเขาแล้วเจ้าจะพินาศ وما تلك بيمينك يا موسى อะไรที่อยู่ในมือขวาของเจ้าเล่ามูซาเอ่ย อَلْهِيَ อะไร عَصَا يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِي فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى เขามูซากล่าวว่ามันคือไม้เท้าของฉัน ฉันใช้ไม้สําหรับยันและใช้มันตีพุ่มไม้เพื่อเป็นอาหารสําหรับแกะของฉันและฉันจะใช้มันในประโยชน์อื่นๆอีกพระองค์ตรัสว่าจงโยนมันไปสิโอ้มูซาเอ๋ยเขาจึงโยนมันลงไปแล้วมันก็ได้กลายเป็นงูเลยกอละคุดฮาวะลาตะคอฟ سنعيدها سيرتها الاولى พระองค์ตรัสว่าจงจับมันขึ้นมาและอย่ากลัวแล้วเราจะให้มันกลับมาเป็นไม้เท้าตามสภาพก่อนของมัน وضم يدك الى جناحك تخرج بيضا من غير سوء ان ايه اخرى และจงเอามือของเจ้าสุกเข้าไปในรักแร้และเอามันออกมา มันจะมีสภาพขาวประกายปราศจากอันตรายใดๆมันเป็นอีกสัญญาณนี่นูรียะกะมินอายาตินัลกุบรอเพื่อเราจะให้เจ้าเห็นบางส่วนจากสัญญาณต่างๆอันยิ่งใหญ่ของเราอิซฮับอิลาฟิรอาวนะอินนะฮูตะกาจงไปหาฟิรอูนเพราะเขาได้ละเมิดฝ่าฝืนเขากล่าวว่า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 เป็นผู้ช่วยแก่ฉันฮารูนพี่ชายของฉันได้โปรดให้เขาเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับฉันด้วยและเข้ามีส่วนร่วมในกิจการของฉันด้วยเพื่อเราจะได้ถวายความสดุดีต่อพระองค์ท่านอย่างมากมาย และเราจะได้รำลึกถึงพระองค์ท่านอย่างมากมายอินนะกะกุนตะบินาบศิรอแท้จริงพระองค์ท่านเป็นผู้ทรงเห็นเราออลักอดูติตัสลักยามูซาพระองค์ตรัสว่าแน่นอนเราได้ให้ตามคําขอของเจ้าแล้วโอ้มูซาวะลักอดะมันนะอะลัยกะมัรเราะตันอูคเราะและโดยแน่นอนเราได้ความโปรดปรานแก่เจ้ามาทั้งหนึ่งแล้ว اِذْ اَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ كَمَا يُوحَىٰ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَى عَيْنِي دو เฮนนางวางเขา اذ تمشي اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك الى امك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فتناك فتونا